นาโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทธูภควาติอิมัสะธรรมะปริยยัตสะ อโทชาธาเยสมมันเตหิสกจังโสตบุตีณโอกาสบัตินี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นโอวาทานุสาสนีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดา เพื่อเป็นการประดับสติปัญญาฉเฉลิมฉลองเจตนาอันเป็นกุศลของท่านศิตยานุสิท์ที่มีความจงรักภักดีต่อครูบาอาจารย์คือพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณประเทศโมรีซึ่งเป็นสังฆประฑานสังฆบิดาของเราในอาวาตตนี้ เศรษยาโนเสรษธทั้งบัพเทศและคริหัตทุกท่านก็แสดงความปลาปลื้มยินดีที่ประเดจพระคุณท่านมีอายุยืนยาวมาอีกหนึ่งปีครบรอบวันเกิดปีนี้วันนี้ซึ่งเราก็ได้ประกอบกองการกุศลถวายเป็นราชเป็นสักการะมีประการต่างๆ เป็นตนว่าให้ทานรักษาศีลเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ถวายถวายสการะถวายเครื่องทยทานต่างๆนอกจากนั้นต่างก็นอนติดน้อมใจประมวลมาซึ่งกองการกุศลที่ตนได้บำเพ็ญมาแล้วด้วยดีเพื่ออุเทศเป็นเครื่องสการะบรรดาการถวายแด่พระเดชพระคุณท่าน ต่างท่านต่างองค์ก็มีแนวโน้มที่จะสวายพรให้ท่านมีอายุมั่นขวัญยืนเวลานี้ท่านมีอายุประมาณ80 80ปีเราก็ยังไม่พอใจอยากอยาให้ท่านมีอายุยืนตั้ง 80,000 ปีถ้าเป็นไปได้ อันนี้เป็นวิสัยธรรมราของจิทยานุสิต ท, ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพระบุรพาจารย์ของตนของตนเมื่อท่านยังดำรงชีวิตอยู่ร่วมสุขกลวมทุกข์กับพวกเราเราก็ได้กราบไหว้สการะบูชามองเห็นรูปกายของท่านด้วย ด้วยสายหูสายตาและลึกถึงพระคุณของท่านด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์สะอาดบุรพาจารย์ของเราบางท่านคือท่านปู่ลีธรรมลังสีที่ท่านได้มรณะไปแล้วศพของท่านก็ยังปฏิสถฐานอยู่ที่นี่เพราะอาศัยคุณธรรมที่ท่านได้แผ่กระจายคลุม พวกเราสิทธยานุสิตเราก็มีความอบอุ่นทั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วพระเดชพระคุณพระองค์นี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านมียังมีชีวิตอยู่บารมีท่านก็แผลแผ่คลุมปกเกล้าปกประมอมบรรดาพวกเราสิทธยานุสิตให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ได้ปฏิบัติธรรมศีลสมาธิปัญญาบริสุทธิ์บริบูรณ์โครบาอาจารย์ที่ท่านล่วงลับไปแล้วท่างที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็ดีล่วงลับไปแล้วก็ดีบารมีธรรมท่านก็ยังแผ่คลุมลูกจิตลูกหาอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกันกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราเคยกล่าวคำสการะปูชาต่อพระพุทธองค์ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ละลึกแม้พระองค์จะปรินิพพานไปแล้วนานแสนนานแต่ยังปรากฏอยู่โดยคุ ณ, ณธรรม เพราะฉะนั้นคุณธรรมที่เป็นพุทธธรรมยังแผ่คลุมจักรวาลอยู่ไม่มีเวลาว่างเว้นดังนั้นาศาสนาธรรมคำสอนของชมเด็จพระพุทธองค์แต่ละพระองค์ <c oughs> <c oughs> ที่ได้มาตราสเป็นรสมาสมมุติเจา้าแม้ท่านปรินิพานไปแล้วคุณธรรมนั้นก็ยังปรากฏอยู่ ไม่ได้เสื่อมสูญไปจากาไปที่ไหนคำว่าศาสนาเสื่อมหรือศาสนาเจริญนั้นมันขึ้นอยู่กับที่ตัวบุคคลผู้ปฏิบัติพระอานนท์เคยทูลถามพระพุทธเจ้าว่าศาสนาของพระพุทธองค์จะดำรงอยู่ได้นานเท่าไหร่พระองค์ก็รับสั่งว่าดำรงอยู่ได้นานห้าพันปี แต่ยว่าแต่ห้าพันปีเลยอนณนหาหาพุทธบริษัทสี่พิษสุนีอุบาสกอุบาสิกายังปฏิบัติปฏิบัติชอบอยู่ตราบใดาศาสนธรรมคำสอนของเราตถาคตก็จะดำรงอยู่ตราบนั้นจริงหรือไม่จริงอันนี้ขอให้ท่านพุทธสาชนิกาชนผู้ปฏิบัติธรรม เพ่สังเกตที่ดวงจิตดวงใจของเราเราเคยได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ท่านให้ภาวนาพโพโธบังอานาปานุสติบังโ <c oughs> พธโธก็แปลว่าผู้รู้ผู้เตินผู้เบิกบาน ท้าวว่าผู้รู้แกนกิริยาของจิตใครมีจิตมีใจผู้นั้นมีรู้กันทุกคนเพราะฉะนั้นพรทโธิคือพระพุทธเจา้าจึงไม่มีเวลาที่เสื่อมสูญไปจากโลกตราบใดผู้ที่มีจิตมีใจเป็นเครื่องรู้มีจิตมีใจเป็นผู้รู้ ตราบนั้นโพทธทอคือพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่คือมีอยู่ที่ใจของเรานั่นเองโพทธทอพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคุณธรรมไม่ใช่วัตถุเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตในใจของคนทุกคนว่าไม่เชื่อลองสังเกตดูให้ดี มีไหมใจคนที่นั่งอยู่นี่ไม่มีรู้ที่นี่โลของสามั ญ, ญชนย่อมไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีระเบียบู้แล้วทำไปตามที่ตนรู้ผิดบ้างถูกบ้างแต่รู้ของพระพุทธเจ้านี่มีขอบเขตนะรู้แบบพระพุทธเจ้าต้องมีขอบเขต โรว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นเสียสิ่งนี้เร็วสิ่งนี้ประณีตบรรจงสิ่งนี้เป็นบาปเป็นบุญเป็นกุศลอกุศลเป็นสิ่งโลของจิตของใจทั้งนั้นชีา <c> ย <oughs> นธาจิตใจมันรู้ลู้ขึ้นมาแล้วมันต้องมีการทำการพู เมื่อมีการทําการพูดโรคของโอรคของพระพุทธเจ้าทำก็ต้องมีขอบเขตโพดก็ต้องมีขอบเขตไม่ใช่บันนึกขึ้นมาแล้วว่าดีก็ทําไปผิดถูกไม่รู้ละอันนั้นเป็นลักษณะที่ไม่ใช่รู้แบบพระพุทธเจ้าแบบพระพุทธเจ้าในรู้ว่าอะไรผิดไม่ทํา โรู้ว่าอะไรถูกจึงทำสิ่งที่ทำนั้นย่อมเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ท่านเป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นไปเพื่อทางสวรรค์เป็นไปทาเพื่อทางานิพพานอนั่นพระพุทธเจ้าให้ทำสิ่งที่จำกัดขอบเขตในการกระทำการพูดของพุทธสาวกที่พระพุทธเจ้าวางแบบเอาไว้ ได้แก่อะไรก็ได้แก่ศีลนั่นเองศีลห้าศีล8ปศีลสิศีลสองอยเ็ดอันนี้เป็นกฎเกณฑ์แห่งการใช้เป็นระเบียบแบบแผนของการทำการพูดแต่การคิดนั้นเราอาจจะห้ามไม่ได้ บางทีเราเป็นพระภิกษุสง์สามเณรบางทีอาจจะคิดไปซอกซอนอยู่ในที่ใดที่หนึ่งลงหนังลงละครลงมวยอะไรก็แล้วแต่แต่ความคิดมันเป็นไปตามวิสัยเดิมที่เราเคยเสพคุณมาแล้วมันยากที่จะหักพา ม, มันได้ในทันทีทันใดแต่พระพุทธเจ้าท่านว่าคิดแล้วไม่แสดงออก ความคิดที่ไม่มีเจตนาไม่เป็นกรรมการกระทําที่ไม่มีเจตนาไม่เป็นกรรมเจตนาหั่นพิฆเวกรรมบังวธามิดูก่อนพิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมเพราะฉะนั้นศีล น, นี้จึงเป็นขอบเขตจึงเป็นกฎเกณฑ์แห่งการทาการพูด ตลอดทั้งการคิดของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อหวังมรรคผลนิพพานซึ่งได้แก่ศสีลนห้าสีลนแปดสียน 5, สิบสีลน 10, สองยีสเจี ย, น, ย น, นี่เป็นอาธิพรมจรรันทร์เป็นต้นของพรมจรรันทร์การปฏิบัติสมาธิภาวนานี่ไม่มีศสีลนก็ปฏิบัติได้นะ แต่สมาธิปะภาวนาที่ไม่มีศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยทำได้แต่ไม่เป็นไปเพื่อทางมรรคผลนิพพานเช่นสมาธิของทศกัณฐ์สมาธิของพระปิตุลาในเรื่องรามมะเกียรติและสมาธิของพวกฤษีชีพรซึ่งเขาไม่นิยมที่จะถือศีลแต่เขาถือสัตว์ เลสีสองตนมาพบกันเข้าในกลางทางเกิดแจ้งที่อยู่ที่อาศัยซึ่งกันและกันกล่าวตู่ว่าเหยียบชะดาลองผลสุดท้ายเจรจากันไม่ตกลงยังแช่งชักหักกระดูกให้หัวแตกเจ็ดเสียงนี่ตัวอย่างของสมาธิที่ไม่มีศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยสมาธิของพวกไสยศาสตร์ทั้งหลาย การทำคุณคนคุณใสเป่าประตูไปเข้าท้องเข้าใส่ทำร้ายคนให้ล้มเจ็บตายอันนี้ก็สมาธิเหมือนกันแต่มันเป็นสมาธิที่ไม่มีศีลเพราะฉะนั้นสมาธิที่ดำเนินไปเพื่อทางมรรคนิพพานต้องมีศีลเป็นต้นศีลต้องบริสุทธิ์สะอาดศีลต้องเป็นอธิศีลกายวาจา เป็นปกติปกติลึกเข้าไปถึงจิตถึงใจจนกระทั่งจิตใจก็ไม่เคยมีเจตนาที่จะฆ่าจะดา่าจะตีเป็นปกติอยู่ตลอดเวลายังจะได้เชื่อว่าเป็นอธิสีลตั้งใจก็มีศีลไม่ตั้งใจก็มีศีลมันมีอยู่โดยปกติเพราะกายวาจาและใจ ใจเป็นผู้มีสติสัง b o n ระวังตั้งใจกำหนดรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติถ้าความประพฤติเช่นนี้เป็นไปในปฏิปทาของท่านผู้ใดมีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทมพูดคิด โดยไม่ได้ตั้งใจแต่มันเป็นเองโดยอัตโนมัติท่านผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอธิศีลคือศีลยิ่งศีลยิ่งนี่มันอยู่เหนือเจตนาสัญญาถ้าเรายังมีความตั้งใจตั้งใจจะเว้นจะเว้นจะเว้นไม่เว้นก็กลัวบาปอย่างพระหิวเข้าเย็นงดเว้นเพราะผู้กลัวต้องอาบัติปาจิตติแต่ว่ามันก็ยังอยากอยู่ อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเรางดเป้นโดยเจตนาคือความตั้งใจถ้าศีลที่เราปฏิบัติซะจนคล่องตัวชำนิทำนานแล้วมันเป็นเองโดยอัตโนมัติศีลที่เป็นอัตโนมัติมันไปรวมอยู่ที่สติวิญญโยสติเป็นผู้นำตามองเห็นรูปสติมาพับโผได้ยินเสียงสติมาพับ จะหมกได้กลินล่นเล่นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดสติมันมาพร้อมอยู่ทุกขณะจิตอันนี้เรียกว่าสติวินโยเป็นผู้มีศีลรอันบริสุทธิ์ในเมื่อมีเศียรอันบริสุทธิ์แล้วจะบำเพ็ญสมาธิสมาธิที่มีศีลรเป็นหลักประกันความปลอดภัยย่อมเป็นไปเพื่อสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิที่มีศีลเป็นหลักประกันปัญญาเกิดขึ้นปัญญาคือความรู้ ค, ความคิดความเห็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นชอบตามระบอบครองธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าหรือนักปราชญ์ท่านจึงว่าตัดสมาสีลังวิโสทะเย สาธุชนพึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์สะอาดถ้าศีลบริสุทธิ์สะอาดขจัดโทษทางกายทางวาจาบัทอรกำลังของกิเลสโลภโลกรดหลงให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเรามาบำเพ็ญสมาธิภาวนาจิตก็ย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็วหลักใลวิธีการบำเพ็ญสมาธิ ของท่านพ่อรีซึ่งวางแบบเป็นมาตรฐานเอาไว้สำหรับสำนักวัดอโศการามได้ทราบว่าท่านโอบลมสั่งสอนอนาปานุสติเป็นหลักใหญ่ทางนี้ท่านนั้นก็เห็นจะเป็นเพราะว่า <c oughs> ท่านตระหนักดีแล้วว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสูล ก็เพราะการปฏิบัติสมาธิแบบอนาปานุสติสมาธิแบบอนาปานุสตินี่พระพุทธเจ้าท่านรู้ตั้งแต่เป็นพระกุ ม, มารเล็กๆที่พระพี่เลี้ยงนางนมผูกพระอู๋ให้บรรทมอยู่ใต้ต้นว่าเวลาว่างจากผู้คนพระองค์กำหนดจิต ร, รมสมาธิ โดยเอาอานาปาลุสติลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์จิตเมื่อจิตสงบแน่วแน่ยึดมั่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่หวั่นไหวจิตเริ่มมีอาการสว่างมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจิตของพระองค์รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกได้บรรลุปฐมวาชัน นี่คือจุดเริ่มของสมาธิของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มกันที่ตรงนี้แล้วสมาธิแบบพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้อาศัยพลังหรืออิทธิพลใดๆมาช่วยทั้งนั้นเป็นบายวิธีที่สร้างจิตของตนเองให้เกิดพลังงานสามารถที่จะปฏิบัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมธรรมได้เองโดยอัตโนมัติ ท่านจึงสอนให้ปฏิบัติสมาธิกำหนดอนาปานุสติลมหายใจอันนี้เป็นหลักการของท่านพ่อรีทีนี้หลักการของท่านพ่อรีนี่ท่านก็มีพิกแพลงต่างๆท่านให้เจริญอนาปานุสติแบบชาแบบสร้างอภิญญาสมาบัติก็มีให้เจริญอนาปานุสติแบบ สร้างวิปัสสนากรรมาฐานขึ้นมากับลมหายใจก็มีที่ท่านสอนหลายแบบหลายอย่างก็เผื่อว่าอนุโลมตามอุปนิสัยของเิตยานุสิกเสตยานุเสรบางท่านก็ชอบอิทธิเล์ท่านก็สอนวิธีสร้างอิทธิเลตให้เิตยานุเศรษบางท่านชอบทางตรงเพื่อเจริญสมถะและวิปัสสนามุ่งสู่ทางมรรคผลนิพพาน ท่านก็ชี้แนะชี้แนะให้ตามแนวทางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติอนาปานุสติพระองค์ทําอย่างไรพระองค์มีพระสติกําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยเพียงแต่มีพระสติกําหนดรู้ว่ามีลมหายใจเท่านั้นเมื่อลมหายใจเข้ายาวรูหายใจเข้า สั้นรู้หายใจออกยาวรู้หายใจเข้ายาวรู้แต่พระองค์ไม่ได้บังคับจิตไม่ได้บังคับลมหายใจในสายนี้ท่านพ่อรีก็สอนแบบนี้สอนให้กำหนดลมหายใจที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติไม่ต้องไปนึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวยงจะรู้ว่ามีลมหายใจเท่านั้น กำหนดรู้ลมหายใจจงกระทั่งจิตสงบลมหายใจละเอียดละเอียดละเอียดลงไปสอนแรกๆเราก็คุมจิตให้กำหนดรู้ลมหายใจพอฝึอกให้คล่องตัวชำนิชำนานจิตกำหนดรู้ลมหายใจเองโดยไม่ได้ตั้งใจในเมืจิตกำหนดรู้ลมหายใจเองมันเป็นเองโดยธรรมชาติของสมาธิ สมาธิมีวิตกเริ่มเกิดขึ้นคือวิตกจิตรล้อยู่ที่ลมหายใจเมื่อมีวิตกแล้วก็มีวิจารคือสติควบคุมจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเ ม, ม, ม, จมจื่อเป็นเะนั้นความดูดดื่มซึมซาบในอารมณ์ที่กำหนดรู้อยู่ก็เป็นอาการของปีติปีติเป็นอาการที่จิตดื่มรสพระธรรม พอรำสมาธิภาวนาจิตมีปีติได้ชื่อว่าจิตได้ดื่มรสพระสัตธรรมเมื่อจิตได้ดื่มรสพระสัตธรรมก็เกิดพลังงานเกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัจจาขึ้นในตัวพร้อมๆกันทีนี้เมื่อจิตมีความสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปถ้าหากในช่วงนี้ จิตยังเดินอยู่ที่วิตกวิจารณปีจิตสุขเอกัคะตาถ้าจิตมีวิตกวิจารอยู่วิตกวิจารณปีจิตสุขเอกัคะตาอยู่ภายในก็จะกําหนดรู้อารมณ์ภายในตัวหรือภายในจิตคือลมหายใจนั่นเองถ้าจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบกิกบานจนปล่อยวางอารมณ์ที่กําหนดเดิมอยู่ ไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆแต่มีปิติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเคยเอกเอกกับตาช่วงนี้ถ้าร่างกายยังปรากฏอยู่ทางไปของเจตมีอยู่สามทางขอให้ท่านนักปฏิบัติพึงสังเกตดูให้ดีถ้าเจตส่งกะระแสออกนอกความสว่างจะพุ่งไปข้างหน้า แล้วก็จะเกิดภาพลิมิตต่างๆขึ้นมาถ้าจิตเดินไปอย่างนี้ของท่านผู้ใดเป็นอย่างนั้นปล่อยไปตามธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตแล้วก็ไม่ต้องดึงจิตเข้ามาเพียงแต่กำหนดรู้จิตอยู่เฉยๆไม่ต้องเอะใจแลอไม่ต้องไปตื่นตกใจกับนิมิตนั้นแล้วถ้ากาหนดจิตให้อยู่ในสภาพปกติ จตก็จะสกบละเอียดยิ่งลงไปภาพในมิต ท, ที่มองเห็นนั่นจะแสดงปฏิกริยาให้เรารู้เราเห็นไปต่างๆนาน า, นาซึ่งแล้วแต่สมรรถภาพทางจิตของผู้ปฏิบัติจะปรุงแต่งให้มีให้เป็นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นวิตกเหมือนกันวิตกไปอยู่กับภาพนิมิตสติประคองจิตให้รู้อยู่ที่ตรงนั้น อันนี้เป็นลักษณะของจิตที่พุ่งกระแสออกไปข้างนอกไม่เป็นไรปล่อยให้ไปเมื่อเขาไปสุดช่วงเขาแล้วเขาจะย้อนกลับคืนมาเองอันนี้ทางหนึ่งอีกทางหนึ่งถ้าหากว่าจิตไม่ออกไปไหนกําหนด้ลยู่ภายในจิตเพียงอย่างเดียวคือจิต้อยู่ที่จิตสติก็เตรียมพร้อมอยู่ที่จิต ้าเกิดมีวิตกวิจารณ์ก็จะเกิดมีความคิดความรู้ผุดขึ้นในจิตเป็นระยะระยะระยะไปอันนี้ทางหนึ่งแล้วอีกทางหนึ่งไม่เช่นนั้นจิตจะเว่งตามลมหายใจเข้าไปไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเมื่อจิตไปตั้งมั่นอยู่ในท่ามกลางของร่างกายมีความสว่างสบัยก็รู้ทั่วทั้งร่างกายตลอดอาการสาสบสอง จิตก็ไปมีวิตกวิจาร์อยู่ภายในร่างกายคือวิตกวิจาร์อยู่กับอาการ32มผมขนและพันหนังเนื่อเอ็นกระดุกจนกระทั่งจิตนั้นสงบพระเอดลงไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายไปหมดบางครั้งจิตจะยังเหลือจะจิตตรวเดียวนิ่งสว่างสวัยลอยเด่นอยู่ในถ้ำกลางแห่งความว่าง ในตอนนี้จิตปล่อยวางอารมณ์กรรมาฐานหมดร่างกายตัวของตนก็ทิ้งไปหมดจิตเป็นเองโดยอัตโนมัติจิตไม่มีอารมณ์จิตรู้อยู่ที่จิตเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบานจิตเป็นอัตตาหิอัตโนานาโถตนเป็นที่พึ่งของตน จิตเป็นอัตตาทีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสารนามีตนเป็นที่ระลึกเป็นสมาธิขั้นสมถะในขั้นฌานสมาบัติสมาธิสมถาะาในขั้นฌานสมาบัติจ้าไม่เกิดภูมิความรู้ที่เขาว่าสมาธิขั้นสมถาะาไม่เกิดภูมิความรู้นั่นเป็นจริง ใครผ่านแล้วจึงจะรู้ข้อเท็จจริงทีนี้ถ้าว่าเจตของท่านผู้ใดไปติดอยู่ความนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานปฏิบัติี่ไรก็วิ่งเข้าไปนอนแอ่งแม่งอยู่ที่ชานสี่นั่นแหละไม่ไปไหนแล้วเราจะทำอย่างไรบางท่านก็กลัวว่าเจตมันจะติดสมถะ อาตมาว่าอย่าไปกลัวมันเลยขอให้มันมีสิ่งติดธนาอันนี้เราไปกลัวสิ่งที่เรายังไม่มีไม่เป็นให้มันมีเป็นก่อนมันหายกลัวถ้ามันเป็นขึ้นมาจริงๆ จ, จิตมันมีพลังงานแล้วมันจะสามารถหาช่องทางออกของมันได้เป็นอย่างดีไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปโง่ สมาธิขั้นสมถะเป็นฐานสร้างพลังงานแม้ในขณะที่อยู่ในสมาธิขั้นสมถะอันนี้ไม่เกิดภูมิความรู้ในขณะนั้นก็ตามแต่เมื่อออกมาจากสมาธิแล้วเรามาประสบกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมผลที่เกิดจากสมาธิความสงบนั้น เราจะมีสติสัมปชัญญะรู้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบันคือการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดจีนี้มาเจตมายตดเอาอารมณ์ชีวิตในปัจจุบันเป็นอารมณ์กรรมฐานเมื่อก่อนนี้เราอาจจะนั่งสมาธิภาวนาพุโทโธจิตไปถึงฌาน 4, สี่สว่างสบาย แต่มาภายหลังโคตโทพพทโทรลงไปสองสามคำจิตนิ่งวุบลงไปพอโลบวุบลงไปนิดหน่อยความคิดมันคิดฟุงฟ้งฟุง้งฟุ้งขึ้นมาอย่างกระน้ำพุอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่มีพลังงานเมื่อก่อนสงบดีเข้าสมาธิขั้นไหนก็ได้ แต่มาภายหลังนี่เมื่อมันมีพลังงานแล้วกำหนดจิตลงไปนิดหนึ่งโพทอโทพอโทพอประจิตวูบลงไปความคิดมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมายังกระน้มผู้ห้ามก็ไม่ฟังบางท่านไปเข้าใจผิดว่าจิตฟุง้งซ่านพยายามไปบังคับความคิดให้มันหยุดนิ่งพอไปแต่เข้าพับมันเกิดความตึงเครียดจะเป็นโรคประสาทตาย เพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้ต้องปล่อยให้มันคิดไปอย่าเถียงนะต้องปล่อยให้มันคิดไปถ้าใครยังไม่มีประสบการณ์อย่าเถียงให้เกิดมีประสบการณ์ขึ้นมาก่อนแล้วจะยอมรับเองหลักมันมีอยู่ว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิต ปัญญาคือก็ ค, อคือความคิดซึ่งเกิดจากจิตที่มีพลังของสมาธิสติเมื่อจิตมีพลังงานแล้วมันต้องการทำงานมันต้องคิดในเมื่อจิตเคิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติสติรูภพร้อมอยู่ทุกพณาจิตนั่นเรียกว่าจิตเดินวิปัสสนากรรมฐานปัญญาก็คือความคิดที่เกิดขึ้น โอปฏิบัติมีสติโลดทันเหตุการณ์โดยอัตโนมัติทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างเป็นเองโดยอัตโนมัติเหมือนเหมือนกับเราไม่ได้ตั้งใจความคิดก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดความตั้งใจกําหนดโล่ ก, ก็ดูเหมือนไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นหลวงปู่เสาท่านจึงเตือนนักเตือนหาว่า ให้โลกเศรโ ท, ทกคจรีบแล้งภาวนาเข้าให้มันถึงความเป็นเองนี่คือลักษณะความเป็นเองแห่งสมาธิและสติปัญญาตามความเข้าใจของหลวงปูเ่เสาท่านมักจะพูดเสมอว่าเวลานี้จิตข้ามันไม่สงบมันมีแต่ความคิดในเมื่อถามท่านว่าจิตฟุ้งซ่านหรืออย่างไรท่านอาจารย์ เอาถ้ามันเอาแต่สงบนิ่งมันก็ไม่ก่าวหนาแน้จะให้ว่าอย่างไรอันนี้ลองๆเอาไปพิจารณาดูทเนื่องจากเวลามันจำกัดจะขอรวบลัดไปถึงวิธีทางแห่งการตัดฉลูของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อแก้ข้อข้องใจสงสัยที่นักปฏิบัติจังลังเลสงสัยอยู่จะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรจึงจะดีถูกต้อง นี่ก็มีจดหมายของนักปฏิบัติถามมายังไม่ได้ตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน <c oughs> ววถีทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าท่านเจริญอนาปานุสติมีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งจิตของพระองค์สงบละเอียดลงเป็นสมาธิสมาธิของพระองค์จิตตามลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกาย ทำให้พระองค์รล้อาการ32ทส่องพวหมดในขณะจิตเดียวเมื่อจิตมีความสงบประเอียดลงไปแล้วกายหายไปยังเหลือแต่จิตสงบสว่างนิ่งอยู่ในร้ำกลางแห่งความว่างพอมาถึงจุดนี้แทนที่จะเดินไปตามสายแห่งฌานสมาบัตกลับวกเข้าไปสู่สัญญาเวทยิตานิโรธคือเข้านิโรธสมาบัติ สมาธิตั้งแต่ปฐมฌานถึงเนวสัญญาณาสัญญาเจตนะอันนั่นเป็นสมาธิโลโลกีสมาธิโลกีเส้นขั้นของสมาธิโลกีกับโลกุตระคือสัญญาเวทยิตนิโรธเจตของพระพุทธเจ้าจจงเสด็จเข้าไปสู่สัญญาเวทยิตนิโรธสร้างพลังจิตเพื่อเตรียมพร้อมที่จะกระโดดขึ้นสู่ ปูมทำขั้นโลกุตระเมื่อได้พลังพร้อมแล้วจิตของพระองค์เบ่งบานออกมาอีกครั้งหนึ่งสามารถเปล่งรัทธีสว่างสวัยครอบจักรวาลทั้งหมดทําให้พระองค์ตรัสฉโลเป็นโลกวิถุพระพุทธเจ้าตรัตฉโลปภเพนิวาสารุสติยานจตูป่าปารติยานอาสวัคขยายานในขณะจิตเดียวตั้งแตป่ปฐมมยาม และก็ตรัสรู้ในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐานจิตสมถกรรมฐานเกอจิตสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตัวตนหายหมดไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวอันนี้คือจิตสมาธิขั้นสมถะสมาธิขั้นสมถะที่ผ่านสัญญาเวทิตานิโรธจ้อมเกิดพลังงาน สามารถที่จะเบ่งบานครอบคลุมจักรวาลแล้วก็ตรัตสรู้เป็นโลกวิถูโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกรู้โลกนรกโลกบาโลคโลกเทวดาอินพรมโลกขันขันธาที่โลกโลกคือเบญจะขันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตารู้พร้อมหมดแล้วก็โลกการจุดติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวะกิเลสอันเป็นเหตุ ให้สัตว์ทั้งหลายคลองอยู่ในวัฏฏะสงสารพระองค์ตรัตโลพร้อมในขณะจิตเดียวเมื่อจิตของพระองค์ถอนจากสมาธิมาแล้วจึงมาพิจารณาทบทวนเรื่องปุเพนิวาสานุตสตยานจบลงในปฐมมายามทีจารณาการจุดจิตและเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมจบลงในมัตถิมายาม พิจารณาอาสวะกิเลสคือตัวอวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ต้องทำกรรมทำกรรมแล้วร้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้จักจบจักสิน้นพระองค์พิจารณาจบลงในปัจชิมยามเมื่อพิจารณาสามเรื่องสามยามนี่ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว เจดจอมรับสภาพความเป็นจริงอรหันตมรรคยานบางเกิดเพื่อนตัดกิเลสขาดสะบั้นไปในปัจฉิมยามอันนี้คือวิธีทางการตัดสลูของสมเดจพระสำมาสัมพุทธเจ้ามันมีข้อสังเกตจู่ว่าเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าไม่มีพระองค์เอาพุทโธ ท, ที่ไหนมาท่องพระองค์เอาสัมมารหังที่ไหนมาทองเอายกนอพองนอที่ไหนมาทอง นักปฏิบัติกมามฐานในปัจจุบันนี้จะมามัวเถียงกันอยู่แต่ที่หลักวิธีการเท่านั้นมันไปไหนไม่หรอดคนศาสนาคริสภาวนาเยสูคนศาสนาพุทธภาวนา พ, านา พ, านาพาุทโธเมื่อภาวนาถึงที่แล้วจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันพระสมาธิเป็นสัจธรรมใครภาวนาแบบไหนอย่างไร ถ้าได้สมาธิจิตมีแนวร้อมเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่มีแตกต่างที่เราเถียงกันอยู่ทุกวันนี้เพราะเราภาวนาไม่เป็นต้องขออภัยด้วยเอาละวันนี้ขอแสดงธรรมเทศนาประดับสติปัญญาและเป็นกติเตือนใจของบรรดาศิทยานุสิตของครูบาอาจารย์ทั้งหลาย อาตมะผู้แสดงธรรมก็ข อ, อน้อมกุศลถวายเป็นสการะบูชาแด่ครูบาอาจารย์อย่าโจมและลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ข อ, อน้อมบุญกุศลที่ได้จากการฟังธรรมนี้อุทิศกุศลถวายเป็นสการะบูชาแด่ครูบาอาจารย์เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอให้ครูบาอาจารย์ของเราจงมีอายุมั่นขวัญยืน มีสุขภาพพลานามัมเข้มแข็งขอให้เป็นล่มโพล่มไสเป็นที่พึ่งของกุะบุตรลูกศิษย์ลูกหาสืบต่อไปทั่วการะนานโดยในยะดังเทสนามาเอวังก็มีด้วยประการละนี